ก็นอบน้อมต่อคุณพระตนทรยัยโอกาสเพื่อสศรีทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีและญาติธรรมทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะในพุทธศาสนานี่ก็จะมีคำสอนอยู่มากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ซึ่งก็มีมากมายมากถ้าเราจะศึกษาจริงๆเนี่ยเราก็จะจับประเด็นไม่ได้ แต่ถ้าจะแยกเป็นประเด็นให้เราศึกษาได้ง่ายขึ้นก็จะมีเพียงสองประเด็นเท่านั้นก็คื อ, อพระเจ้าทรงแสดงธรรมทั้งหลายแหล่นั้นเพื่อให้เรารู้จักกับความทุกข์แล้วก็ประการที่สองก็คือเมื่อรู้จักความทุกข์แล้วก็ให้ปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นเรามันจะมีแค่สองประเด็นนี้เท่านั้นนะคราวนี้ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเรารู้จักความทุกข์หรือ ย, อยังเนาะ ในบทธรรมวัเช้าที่เราสวดอยู่เป็นประจำก็ยะมีการกล่าวว่าการเกิดนี่แหละก็เป็นความทุกข์ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์ความโศกความรำไรลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้ น, น, นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกขนะ์ก็คืออุปทานขันธ์ทั้งห้าก็คือกายและใจนี่แหละเป็นตัวทุกขนะ์เนาะตรงนี้เราได้รู้จักตรงนี้หรือยังเนาะอืมคราวนี้ไอการที่เรารู้จักความทุกข์เนี่ยมันบางทีคนก็ไม่รู้จักเนาะ <c oughs> บางทีเออสมัยก่อนก็เคยไปอ่ชวนคนมาปฏิธรรมเขาก็ถามว่าจะปฏิธรรมไปทําไม เขาบอกว่าปฏิบัติรมแล้วความทุกข์ก็จะลดน้อยลงเขาบอกเขาก็ไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยเนาะอขาบอกว่าเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะใครๆก็เป็นเช่นนั้นกันเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อเป็นเรื่องธรรมดาเขาก็ไม่ทุกข์นีอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราว่าเขาก็ไม่เห็นความทุกข์นีซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไม่เห็นความทุกข์นะคราวนี้เรามาดูว่าเรารู้จักความทุกข์ไหม ครั้นี้เรานั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะมีความปวดเมื่อยเนาะอันเนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองเนาะหรือบางบางท่านอาจจะอรู้สึกง่วงๆนี่ก็เป็นความทุกข์เนาะอหรือบางท่านรู้สึกหิวหิวนี่ก็เป็นความทุกข์หรืออือาจจะรู้สึกอปวดประวะอิเนี่ก็เป็นความทุกข์นะหรืออาจจะโดนยุงกัดก็เป็นความทุกข์หรือกาดอาจจะเย็นเย็น นี่ก็เป็นความทุกข์นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันนี่แหละมันเป็นสิ่งเราเห็นไม่ว่าเป็นความทุกขนะ์ที่ปรากฏขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเราเนาะนะีมันเราต้องรู้จักให้ได้ว่าความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความทุกข์ที่เราว่าอนะเป็นความยิ่งใหญ่มากมายมาหาศารแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นเล็กเล็กน้อยน้อย น, นี่แหละก็เป็นความทุกข์ได้เนาะอันนี้มันจะมีความทุขก็เป็นสองอย่างคือความทุกข์กายและทุกข์ใจเนาะ ความทุกข์กายเนาะเราก็ดูมันนะว่าเราแก้ไขจริงๆได้ไหมให้ความทุกข์กายหมดไปจริงๆได้ไหมจริงๆเราแก้แก้ให้หมดไปดับสิ้นเชิงไม่ได้หรอกมันเป็นแค่บันเทาทุกข์เท่านั้นเองใช่ไหมมันก็เราเราหิวเราก็ไปทานอาหาร อ, อีกสักสี่หชั่วโมงก็ไปทานใหม่ใช่เพราะมันต้องแก้หิวไปเรื่อยๆนะเราง่วงเราไปนอนนะไว้ก็ต้องไปนอนใหม่ใช่หม เราเมื่อยเราลุกขึ้นมาเดินไว้ก็ต้องกลับมานั่งใหม่นะไปนอนต่างๆเราเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเราก็หรือไม่เราก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาไปใช่ไหมร่างกายเราเป็นสิ่งที่เราต้องคออกคอยดูแลรักษาตลอดเวลานะจะปล่อยให้เขาซุดโทมก็ไม่ได้น ะ, ะเพราะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งเราแก้ให้หมดความทุกข์เด็ดขาดไม่ได้หรอกมีแต่การบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองน ะ, ะส่วนจิตใจ จิตใจได้เป็นความทุกข์ที่ร้ายแรงเนาะเป็นเหตุให้คนฆ่าตัวตายได้ใช่คนที่ฆ่าตัวตายนะคนที่เก็บขยะต่างๆนะคนนอนตามใต้สะพานคนพวกนี้เก็ไม่ฆนะนะ่าตัวตายกันหรอกเนาะส่วนคนที่บางคนก็ฐานะค่อนข้างดีนะพวกเนี้จะฆ่าตัวตายกันบ่อยนะจากความผิดหวังในสิ่งต่างๆจากความรักบ้าง ความผิดหวังในเรื่องต่างๆบ้างในเรื่องเศรษฐกิจนะเมื่อหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายกันนะตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นาการฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความทุกข์มากนะความทุกข์ในทางจิตใจจึงมีมากกว่าร่างกายอีกเนาะแต่ว่าความที่มันทุกข์มากนี่แหละอนะมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะแก้ให้ขหมดความทุกข์ได้จริงๆนะคือให้ทุกข์เนี่ยหมดได้อย่างเด็ดขาดอันนี้คือ สิ่งที่เป็นสาระสาคัญในพุทธศาสนาเพราะการที่เรามาศึกษาปฎิธรรมก็เพื่อแก้ความทุกข์ในทางใจนั่นเองนะเราไม่ได้มาแก้ในทางกายนะเหมือนเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็บทดความทุกข์ท่านก็มีความทุกข์ในทางกายอยู่แต่ทางจิตใจท่านก็ไม่มีความทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องอรู้ว่าใจเราเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์ที่สําคัญแล้วก็อันตรายแต่มันสามารถแก้ไขให้ใหมดความทุกข์ได้เพราะนั้น าการประทุมเพื่อการละทุกทางใจนั่นเองนะเพราะงั้นความดับทุกก็คือดับทุกทางใจเนาะครา้ น, นี้นะ่ะคนที่ว่านั้นไปชวนเข้ามาประทุมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่เห็นมีความทุกจริงๆนะความที่เขาแม้แต่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาก็สามารถไปรักษาโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลดีๆก็ก็ไปได้เพราะเขาก็ฐานะดีแม้แต่เขาตายเขาก็ไม่กลัวหรอกลูกหลานเขาก็ดีๆนะเป็นคนเรียกว่า อ่สามารถที่จะดูแลเขาในการที่เขาจะตายได้ยังมีความสุขนะเพราะฉนั้นเขาก็ตายแบบสบายๆแล้วอันนี้เป็นคนน่าสงสารเนาะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นความทุกข์แค่ในชาตินี้เนาะพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็มีความสุขอยู่ในพระราชวังอสามฤดูนะมีสิ่งต่างสมบูรณ์อืแต่ทําไมท่านจะต้องออกมาอ่าออกมาเป็นนักบวชนะมาเดินมบินถบาศมันก็ไปขออาหารคนเขา ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขา อ, อยู่ด้วยความยากลําบากเป็นอย่างยิ่งทําไมต้องทําเช่นนั้นนะถ้าหากว่าท่านมีความทุกข์แค่ในชาติเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็ไม่ค่อยมีความทุกข์มากคนอื่นหรอกอท่านจะสุขสบายกว่าซะด้วยแต่ทําไมต้องมาสแสวงหาเช่นนั้นเพาเพราะว่าท่านรู้ว่าจริงๆแล้วความทุกข์นั่นแหละมันไม่ใช่ความทุกข์อย่างที่กล่าวมาแต่เป็นความทุกข์ในสังสารวัฏนะคือความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดนะในการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดรับภพรับชาติไม่ไม่ทั่วนี่แหละ นี่แหละคือสังสารวัตรที่เราจะต้องแก้วความทุกข์แท้จริงเนาะเพราะฉะนั้นความทุกข์แท้จริงนั้นก็คือความทุกข์ในสังสารวัตนั่นเองอตามใดที่เรายังมีกิเลสในใจเราอยู่มันจะหนีไม่พ้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เป็นอย่างดีเมล็ดพันธุ์นี้เมื่อตกไปในพื้นดินที่ดุจสมบูรณ์ย่อมโตเป็นต้นไม้ใหญ่หญได้ชันใดจิตใจและแม้มีกิเลสเพียงเล็กน้อยก็ย่อมต้องมีบ้ายตยเกิดนับพบบัณฑิตไม่ทวนชันนั้นนี่แหละเป็นเหตุให้พระเจ้าหาทางที่จะ พ้นจาความทุกข์ในตรงนี้ต่างหากเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะ่ะไม่ใช่ว่าเราไปบัติธรรมเพื่อความพทุกข์ในขณะนี้ที่นี่หรือในชาตินี้เท่านั้นแต่เมื่อเป็นการบัติธรรมแล้วก็เพื่อที่สั ง, สงเกตกิเลสในใจเราต่างหากว่ากิเลสในใจเราเนี่ยลดลงไปบ้างไหมหรือว่ามีเท่าเก่าแต่มาตรงนี้มันสําคัญมากกว่าเพราะว่ากิเลสถ้าเรามีมากมายมหาศาลนั่นล่ะคือภพชาติที่เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนับพมนับชาติไม่ท้วน แต่ถึงเมื่ใดที่เกลืเลยในใจเราเริ่มลดน้อยลงเริ่มที่จะบ า, บางลงอาจจว่าในใจเราเริ่มลดลงไปแล้วนั่นแหละแสดงว่าภพชาติเราเริ่มจะลดลงไปตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือภพชาติต่างๆก็เริ่มลดน้อยลงอาจจะถึงที่สุดแห่งทุกได้อาจจะเหลือแค่เจชาติหรือเหลือแค่หนึ่งชาติเหลือจะเหลืออาจบสิ้นในชาตินี้ก็ได้เนาะนี่แหละคือที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่ า, ามีเพียง2องอย่างคื อ, อาการรู้จักทุก และปฏิบัติเพื่อความทุกขเท่านั้นไม่มีสาเหตุอย่างอื่นเนาะเพราะการปฏิบัติเพื่อที่สุดแล้วก็คืออ่าเหตุผลในการปฏิบัติธรรมก็คือ <c oughs> เพื่อความดับทุกข์เท่านั้นแต่ถ้ามีเหตุผลในการปฏิบัติเพื่อสาเหตุอื่นอันนั้นอก็จะหลงทางผิดทางไม่ถูกทางอย่างแน่นอนะจะเป็นการเวี ย, ยนวนอ้อมไปอ้อมมาแล้วก็ล่าช้าเนาะเพ ร, ราะนั้นเป้าหมายแท้จริงในการปฏิบัติธรรมก็คือเพื่อความทุกข์เท่านั้นไม่มีสาเหตุอย่างอื่นทั้งสิ้นเนาะ คราวนี้นะ่ะการบัรรมอาจจะบัดเพื่อความพ้นทุกได้อย่างไรนะพระเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้ในสถิติฐานสี่ที่เราได้สวดมนต์เมื่อเช้านี้นะก็ทรงแสดงไว้ว่าการที่เราจะมาบัรรมเพื่อความพ้นทุก์นั้นก็มีหลักอยู่ในสถิติฐานสีได้แก่กายเวทนาจิตธรรมเนาะให้เรากลับมารู้จักเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรม ก็จริงๆแล้วทั้ง4อย่างก็สรุปลงไปว่าคือมารู้จักกายและใจเราเท่านั้นเองเพราะว่ากายและใจก็จริงๆแล้วก็มีแค่2อย่างนะคือกายและใจอันนี้แหละคือความทุกข์เนา ะ, ะเมื่อเรามาศึกษาที่กายและใจเราก็จะรู้จักความทุกข์ในกายและใจเราเราก็จะจับความทุกข์ในกายของเราในใจของเราได้นั่นเองเพราะนั้นจึงเมื่อกี้ได้พูดเลยว่าโดยว่าแล้วก็คืออุปทานขันหานี่แหละคือตัวทุกข์ นะก็คือกายและใจนั่นแหละคือตัวทุกข์เพรา ะ, ะนั่นเราก็ต้องมาศึกษากายและใจเราไม่ต้องไปศึกษาที่อื่นเนาะไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายนอกกายนอกใจนั้นไม่ทางพนทุคพ้นทุกอย่างแน่นอนเนาะครันนี้จะศึกษาอย่างไรนะก็ในสติปทานศี่บอกว่าให้รู้จักในอีกบทใหญ่คือการยืนก็ให้อยู่ยืนนั่งให้รูนั่งนอนให้รู้นอนเดินให้รู้เดินเนาะกลับมารู้ในอีกบอทั้งสี่นี่แหละ เพราะว่าจริงๆแล้วไม่อยู่ในอิบอใดก็ได้อิบอหนึ่งนะไม่เรายืนก็ต้องเดินไม่เดินก็ต้องนั่งไม่นั่งก็ต้องนอนแค่นี้เองนะเรากลับมารู้ในตรงนี้ได้ไหมนะอันเนี้ค <c> ร <oughs> นี้ก็มารู้ในบทย่อยนะก็คือรู้ว่ า, าเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังกาติก้มเงยดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาระปัสสะ ต่างๆเหล่านี้กใ็ให้เรารู้สึกตัวว่าในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะสิ่งเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตจําวันเรานั่นเองไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนเลยนะครา้ น, นี้ทําไมต้องมารู้ในตรงนี้เนะีเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็นะสมมติว่าเราเดินนะก็คือเราเดินมาตลอดชีวิตนั่นแหละนะครา้ น, นี้เราเดินอย่างไรนะเราเดินก็คือเราเดินเนี่ยด้วยใจลอยนะนะเดินมากือบทุกวัน มันก็ใจลอยกับทุกวันอ่ามันอาจะรู้สึกตัวบ้างก็เล็กๆน้อยแต่ในขนาดเดินเราก็ไม่รู้เรากำลังเดินเราก็คิดไป <c oughs> เออเดี๋ยวจะไปทํางานทันไหมเนาะน่าเย็นนี้จะไปหาเพื่อนที่ไหนดีเดี๋ยวจะโทรสั์ไปหาเพื่อนดีไหมเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่กับการเดินแต่ว่าเราก็คิดไปในอดีตหรืออนาคตเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเคยชินของเรานเองคือจิตใจเรานะโดยทั่วไปแล้วทุกทุกคนเมื่อไม่ได้ฝึกแล้วมันจะไหลเป็นอดีตหรือนาคตแทบทั้งนั้นนะ มันจะไปรู้นาดีเรื่องอนาคตเป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าปัจจุบันนี้มันจะไม่รู้เลยมันจะไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าให้กลับมารู้ว่ากา er ลังทางทอะไรอยู่เพื่ออะไรเพื่อจะฝืนความเคยชินนั่นเองคือจะแก้ความเคยชินจากการที่เหลงไปในลมต่างๆหลงไปว่าเราไม่รู้กำลังทำอะไรเนี่ยกลับมารู้มันเป็นการแก้ความเคยชินเพราะความเคยชินนั่นหละคือความหลง <c oughs> จึงต้องมาแก้นีสไสในตรงนี้ที่ว่าเป็นสิ่งที่มันความหลงนั้นมันนำอะไรมาให้เรามันประการแรกก็นําความทุกข์มาให้เราอย่างแน่นอนนะเช่นเราคิดเป็นอดีตเมื่อสมัยก่อนมีคนมาดา่าเรามานินทาเราเราไม่มีความทุกข์ครั้งหนึ่งทั้งทั้งทงี่ผ่านมาแล้วหรือมีคนมาชมเรามาแสดงความยินดีต่างๆเราก็ยินดีไปนะหรืออนาคตยังมาไม่ถึงเราก็พิตกกงังวลนี่แหละคนเราจะหลงไปในสิ่งเหล่านี้ก็นําทุกข์มาให้เรา แล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยทั้งสิ้นเลยมีแต่ความหลงมีแต่ความทุกข์ใช่ไหมแต่กลับมารู้ไหมขณะนี้กาลังทําอะไรอยู่อันนี้มันจะไปแก้ความหลงได้แค่เปลี่ยนความเคยชินมากลับมารู้เท่านั้นเองขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่มันก็จะไปแก้ความหลงอเพราะฉะนั้นจริงๆเลยว่า <c oughs> เราก็เปลี่ยนหลงมาเป็นรู้นั่นเองเนาะแม้แต่เราแปลงฟันนะแปลงวันละสามสี่ครั้งนี่แหละเราสังเกตไหมว่าอันนี้คือแปลงด้วยความรู้สึกตัวหรือความเคยชิน เราจะบอกว่าเราก็มีความรู้ตัวแต่ก็เป็นบางครั้งเลก็เลกๆในน้อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ก็คือความเคยชินนะทั้งนั้นนะอันนี้พระเจ้าให้กลับมารู้ให้ได้กลับมารู้ในปัจจุบันนี้กําลังทําอะไรอย guided you, guided ู่ก to ําลังท uh ําอะไรอยู่แค่นี้เองกลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังนั่งอยู่นะกลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังยกมืออยู่อ่ากลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังคิดอยู่นะกลับมารู้ไหมขณะนี้กําลังเบื่อขณะนี้กําลังรักกําลังชังกลับมารู้ไหม อันนี้เราไม่ต้ไปห้ามนะไม่ต้องห้ามว่าอย่าไปคิดนะออย่าไปรักอย่าไปชังนะห้ามไม่ได้หรอกเขาจิตใจเราห้ามก็ไม่ได้แต่สําคัญว่าเรากลับมารู้มไหมขณะนี้กำลังทําอยู่ในกายและใจเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าความทุกข์มันเกิด <c oughs> เกิดจากกายและใจนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ทุกข์ก็กลับมารู้กายรู้ใจเท่านั้นเองมันไม่ได้ไปทําอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายอรู้จักรวาลทักจักรวาลไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะกลับมารู้กายรู้ใจนี่แหละนี่คือการแก้ทุกข์เนาะ เพราะว่ากิเลสทั้งหมดอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเองเ <c oughs> มื่อเรารู้ใจเราบ่อยๆแล้วทุกในใจเราจะลดลงและนั่นก็คือกิเลสก็จะลดลงไปด้วยเนะาะคราวนี้เราจะรู้อย่างไรนะคาราวนี้เราก็อยู่กับปัจจบนนุบันนั่นเองนะอ่คาคราวนี้น่ะถ้าเรานั่งเนี่ยเราต้องคิดไหมว่าเรากำลังนั่งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องคิดเราแค่รู้เท่านั้นเองใช่ไหมหรือเรายกมือเราต้องคิดไหมว่าเรากำลังยกมือเราก็ไม่ต้องคิดนะแต่มันก็เป็นสิ่งเราทําอยู่แล้วเราอาศัยแค่ตัวรู้เท่านั้นเอง แต่ถ้าคิบอกว่า เ, ออเมื่อตอนกลางวันเราทานข้าวกับอะไรเนาะเราต้องคิดใช่ไหมหรือพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ต้องคิดใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เป็นอดีตหรืออนาคตต้องใส่ความคิดแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ต้องใส่ความคิดเลยมันก็เป็นแค่การรู้ท่อนเองรู้อะไรรู้ในขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เท่า น, นั้นเองนะกำลังมือเคลื่อนไหวกําลังคิดไปกําลังมีลมอะไรเกิดขึ้นก็รู้มันไม่ต้องใส่ความคิดเลยทั้งสิ้นเนาะ เพราะเหตุนี้แหละเมื่อเป็นการรู้มันยังเป็นการออกจากความคิดได้นะมันเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่ว่าออกจากอาความหลงหรือความคิดนั่นเองกลับมารู้นะเพราะมันไม่ต้องใส่ความคิดเนะี่ยเป็นสภาวะที่มันปรากฏขึ้นจริงๆในขณะนี้นะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นนหลายหลวงพ่อเทียนยังบอกว่าอ่าออกจากความคิดมาสู่ตัวรู้หลมกับกิบบอเปลี่ยนหลงเป็นรู้นะตรงเนี้ยก็คือกลับมารู้เท่านั้นเองนะไม่ต้องใส่ความคิดทั้งสิ้น จากการที่เราออกจากความคิดได้แล้วมาเป็นรู้นี่แหละเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นเราจะมองก็เห็นเขาได้นะเพราะเราไม่ได้ไปคิดใช่ไหมเมื่อเรายืนยวนบนฝั่งนะปุ๊บเนี่ยเราขึ้นจากน้ำแล้วเราเห็นปลาแต่เท่ามั้นใดที่เราอยู่ในน้ําเราจะมองไม่เห็นปลาเมื่อเราสามารถออกจากความคิดได้เราก็จะเห็นความคิดได้เช่นกันนะพระมะเทียนบอกว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดอันนี้คือประเด็นสําคัญในการบัตรธรรมนะอยู่ที่ว่าเราเห็นความคิดไหมนะ ความคิดนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ยากนะจริงๆเขาคิดอยู่แล้วล่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเรกเขาคิดตลอดเวลาด้วยแต่จะกมาก่อนเมืเ่อเขาคิดแล้วเราก็ไปช่วยเขาคิดติดต่างหากนะก็ะไหลเข้าไปในความคิดเพราะว่าอะไรเพราะใจแล้วไม่มีหลักให้เขาอยู่เพราะนั้นเราจึงต้องสร้างหลักให้ใจมีเครื่องอยู่การสร้างหลักให้ใจมีเครื่องอยู่มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยกลับมารู้การเคลื่อนไหวในร่างกายนี่แหละใช่อ่าขณะนี้เรากำลังทําอะไรอยู่นะกําลังพลิกมือสร้างยังหวะอ่าพลิกคว่ำหงายหรือกระดิกนิ้วนี่แหละเป็นการ สร้างหลักให้ใจมีเครื่องอยู่เมื่อหลักเมื่อใจมีหลักอยู่แล้วเมื่อใจหลุดออกจากหลักไปค่อยรู้ทันเขาจะกลับมาที่หลักได้เร็วขึ้นแต่ถ้าใจไม่มีหลักอยู่ก็จะเลื่อนลอยไปไกลนะคิดไปยาวเหยียดนะไม่กลับมาเหมือนเช่นในเด็กเราก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราฝึกมา3ามสวันจะเริ่มรู้สึกแล้วมันก็ไม่ได้คิดไปไกลนะเขาอะไรเพราะใจเรามีมีหลักให้เขาอยู่แล้วนะอะไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดนี่คือหลัก เพียงแต่ว่าเรากลับมารู้ไหมขนาดนี้กำลังทำํำเราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะเมื่อไกลขึ้นไหวจะรับรู้นั่นแหละคือปัจจุบันนะแต่ถ้าไกลขึ้นไหวใจไม่รู้ไม่รับรู้นั่นแหละไม่ใช่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเมื่อหลักมีเรามีหลักแล้วเราก็ใาศหลักนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วเราก็จะสังเกตใจได้ว่าใจหลุดไปคิดไหมใจไปมีลมต่างๆไหมใจมีอะไรเกิดขึ้นตรงเนี้เราจะสังเกตได้ไว เพราะฉะนั้นจากการนี้เขาเคยคิดยาว5้านาทีสิบนาทีเขจะสั้นลงสั้นลงเหลือแค่หนึ่นาที2นาทีเนาะแต่หลังจากนี้เขามีความชํานาญแล้วอาจจะไปแค่แวบเด็วเขาก็กลับมาได้เร็วขึ้นจากการเที่ยวไปแล้วกลับมันได้เร็วขึ้นเราจะสังเกตอาการกับเพื่อนมือใจได้ไวนะมันจะไปปรุงแต่งเราก็รู้ทันเนาะเพราะเมื่อก่อนมันปรุงแต่งไปยาวแล้วก็ไม่รู้หรอกนะแต่จากการที่เราสังเกตเขาได้เขาปรุงแต่งเล็กๆน้อยเราก็รู้ทันนะพะเมื่อเรู้ทันแล้วมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้น มันก็จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆได้น้อยลงอารมณ์ต่างจะไม่ผูกไม่ผูกปรุงแต่งยาวนะเราไปห้ามความคิดไม่ได้น ะ, ะมันต้องมีความคิดแน่นอนเมื่อเมื่อไหร่ที่มันมีการกระทบตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะส่งที่ใจใจไปปรุงแต่งทันทีนะเป็นความคิดอเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเป็นความคิดก็จะเกิดเวทนาแล้วก็เป็นสังขารคือการปรุงแต่งเป็นความรักความชางังตามมาทันที ตรงนี abajo, ้มา่ก่อนมันจะยาวเพราะใจไม่มีหลักมันก็จะหลงไปยาวอ่าบางทีเราก้ชอบใจบางทีก็ไม่ชอบใจเป็นความเพลิดเพลินบางทีเป็นความทุกข์นั่นแหละมันเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกิเลสมากมายและความทุกข์ต่างๆนับครุนับชั่ไม่ท้วนแต่เมื่อใดที่เราเริ่มรู้ทันปั๊บมันจะกลับมากลับมามันจะไม่ไปยาวนะมันเริ่มปรุงปุ๊บรู้ทันกลับมาเริ่มปรุงปุ๊บรู้ทันกลับมาไม่จะเป็นความไม่พอใจหรือความพอใจยินดีร้ายมันจะกลับมาได้เร็ว มันจะไม่ไปยาวนะมันจะตัดให้สั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนี่หละคือการที่เรารู้ทันสภาวะของจิตใจเราแล้วเมื่อเรารู้ทันแล้วเป็นอย่างไรน ะ, ะความทุกข์เราก็สั้นลงสั้นลงและกิเลสก็จะลดลงๆๆลดลงอันนี้หมายความว่าภพชาติเราก็สั้นลงลดลงไปด้วยนะครับอันนี้เราไม่ได้เปละ ก, กิเลสอะไรทั้งสิ้นเลยนะ ก, กิเลสเนี่ยไม่ได้ไปละเขาเราจะละความโกรธตั้งใจละความโกรธละได้ไหมจะไปละได้อย่างไรในขณะนี้เราไม่มีความโกรธเราจะไปละได้อย่างไรใช่ไหม แต่ว่าเราก็อาศัยการรู้ทันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเราไม่ต้องละเขาเราแค่รู้ทันบ่อยๆเท่านั้นเองนะใจเราเนี่ยเขามีการกระทบอยู่บ่อยๆแล้วก็ต้องมีอารมณ์แน่นอนนะเราก็แค่รู้ทันเข้าไปเรื่อยๆเยมื่อรู้ทันไปบ่อยๆโดยใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาจากการรู้ทันนี่แหละเขาจะน้อยลงน้อยลงไปเองนะเขาจะคือจริงๆแล้วกิเลสนะเขาไม่ได้กลัวอะไรกลัวการรู้ทันอย่างเดียว เมื่อเกิดอะไรขึ้นในใจปุ๊บเราสังเกตเขาเราเห็นก็ปุ๊บแล้วเขาจะค่อยๆน้อยลงดับลงะถ้ามีความโกรธเยอะๆล้วก็สังเกตเขาอ่ามองอีกอมีอีกเราก็สังเกตเขาอีกมีเราก็สังเกตเขาจะเบาลงน้อยลงไปเลยนะหลังนั้นเขาก็จะนนานๆมาทีอันนี้คือความจริงที่ใจเราเนี่ยเริ่มจำสภาวธรรมได้แล้วเนาะ ม, มันจะเหมือนกับว่าเราเป็นเนะจา้จาของห้างสํารองค้าแห่งหนึ่งนะมันจะมีของหายอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกมลอยนะ แต่วันหนึ่งเราก็เริ่มเห็นคนชายผู้หนึ่งท่าทางมีพิรุษหน้าตามองซ้ายมองขวาหลอกแหลกเหลยวซ้ายแลงขวาแล้วก็แต่พอดีเราสบตาเขาพอดีก็เห็นตาเราเขารู้สึกว่าเออมันก็หน้าสิดตีนะมันหน้าเหมือนแปลกๆเราเริ่มสังเกตไอ้เป็นขโมยหรือเปล่านะแต่มันรู้แล้วว่ามันเป็นขโมยแล้วมันคิดว่าเรารู้จักว่ามันเป็นขโมยหลังนั้นมันจะรีบมันออกจากร้านเราทันทีเลยนะอีกสี่ห้าวันเมื่อเริ่มเข้าในร้านนี้มันนึกว่าเราจำมันไม่ได้ เม่มันเข้ามาปุ๊บเราก็จําหน้าไม่ได้มองไปปุ๊บมันก็รีบออกจากร้านเราทันทีแล้วนะครา้นี้อีกสักเดือนหนึ่งก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันนึกว่าเราลืมไปแล้วแต่เมื่อมันเข้ามาปุ๊บเราก็จําหน้ามันได้เรามองหน้าปุ๊บมันจะหนีทันทีเลยและหลังนั้นมันก็แทบจะไม่มาอีกเลยนานๆก็ค่อยมาเหลือจะไม่มาต่อไปความคิดเลยในใจเราก็เหมือนกันเมื่อเรารู้จักเขาบ่อยๆเห็นเขาบ่อยๆการที่เราเห็นเขาบ่อยๆนั่นแหละเราจะจําเขาได้นะจำเขาได้บ่อยเขาก็จะมาน้อยลงช้าลงจากการเมื่อก่อนน มาแล้วยาวนะอยู่ในใจเรายาวเลยอใครมานินทาเรามาด่าเรามาว่าเราบางทีกรธเป็นวันๆนะหลายๆวันะแต่ตอนหลังอ่ใครมานินทาเราดารา่ า, าแล้วว่าเราเราก็เห็นใจเราปุ๊บมาเริ่มลดลงแล้วนะบางทีเหลือชั่วโมงเดียวอเราสังเกตใจเราครั้งหนึ่งก็น้อยลงไปเรื่อยๆนะหลังนั้นนะั้นเมื่อมันจําสภาวธรําได้แล้วมันรู้ละเออ้ความโกรธเนี่ยใจมันจําได้เองนะว่ามันเป็นความทุกข์นะมันจะรู้จักตัวเองเป็นความทุกข์ หลังนั้นเมื่อมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เป็นความทุกข์มันจะไม่เอาไม่เอาแล้วมันจําได้เป็นความทุกข์นะพอกระดิกนิดเดียวปุ๊บมันหลุดทิ้งเลยนะ่ามันเร็วมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะรู้แล้วเป็นความทุกข์ไม่ไม่เอาหรอกแต่สมัยก่อนใจมันจําไม่ได้มันก็ชอบมีอไปติดไปยึดลมต่างๆนี่แหละว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นดีนะมันอะไรทั้งหลายแหละเพราะตอนหลังจําได้ไม่เอาแล้วน ะ, นะตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราเนี่ย มันมีตัวตอนอยู่เบื้องหลังใช่ไหมมีตัวตอนอยู่เบื้องหลังแน่นอนน ะ, อ, ะอย่างบางทีน ะ, ะสมมุติว่าเรา ม, มีมีแฟนอยู่คนนึงน ะ, ะผู้ชายผู้หญิงแล้วกันนะเพ่าส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงไปเห็นผู้ชายน่ยโอ้คนนี้ดีนะเอาใจเราตลอดเวลาเลยเขารักเราคนเดียวเนา ะ, ะแต่มีสักวันนึ่งเราไปเห็นเออผู้ชายคนเนี้ยเปรีวใจผู้หญิงคนอื่นนะไปดีผู้หญิงคนอื่นตอนนี้ใจมันรู้แล้วเออเขาหลอกแล้วนะ หลังนั้นผู้ชายคนนี้หมายครั้งนะครันนี้มาก่อนที่เราเคยไปพูดเขาดีๆใจมันจะไม่เอาแล้วนะมันจะไปเสดไม่อยากพูดเรื่คงเขาแล้วนะอ่าใจมันไม่อยากอเกี่ยวข้องอย่างเก่าแล้วมันบางทีมันทิ้งเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะใจมันเรียนรู้แล้วผู้ชายมันไม่ดีจริงนะมันมาหลอกเราเนาะมันทิ้งเลยมันไม่เอาแล้วนะครันนี้อ่าความโกรธมันเป็นอย่างไรนะความโกรธเนี่ยอ่าเมื่อก่อนนั้นนะ คือมันมีตัวตนเราอยู่เนี่ยตัวนี้สําคัญมากเลยการที่เมื่อก่อนที่มันโกรธต่างๆเนี่ยเพราะมีตัวตนเราอยู่เยอะนะใครมาด่าเราจะรู้สึกว่าเขามันมาด่าเรานะทําให้เราหมิ่นศักดิ์ศรีเรานะอเหมือนกับตัวเรามันแย่ลงเราต้องกู้ศักดิ์ศรีเรากลับนะต้องไปด่าเขากลับบ้างไปเถียงเขาบ้างมันมีตัวตนเราอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยเนาะคราวนี้มันไม่มันมันจะมีตัวตนเราอยู่จากตรงเนี้ยมันเป็นแต่อันตรายที่ว่ามีตัวตนเราอยู่นะ มันไม่เหมือนกับผู้หญิงไม่มีผู้หญิงมีตัวตนว่าเราไปยึดในตรงนั้นจริงๆแต่เป็นคนอื่นนะมันไปยึดในตรงนั้นไม่ได้แต่การที่ไม่มีตัวตนมาเข้ามาดาเราเนี่ยมันมีตัวตนเราอยู่เนาะตรงนี้ ม, นมันต้องแก้ด้วยการที่เรามาดูว่าเออมันมีตัวตนจริงอยู่หรือเปล่าเนาะพระพุทธเจ้าได้บอกว่างานที่เราสวดตอนเช้านะสัพเพสร้างคาลานิจจาสัพเพสังคาลาลูก ข, ขา สเพสังค่ารานักตาคือสังขารนี่แหละคือร่างกายจิตใจมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตรงเนี้การมาทําทั้งหมดเพื่อกลับมาให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใตนของเราเท่านั้นเองนะถ้าเรามารู้ตรงนี้ว่าไม่ไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วต่อไปใครมาด่ามันก็เฉยเฉยมันก็ไม่ใช่ตัวเราจะด่าก็เฉยเฉยเราก็ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะว่าไม่มีเบื้องหลังว่าเป็นตัวตนเราอยู่ตรงเนี้จากการเราจำสภาวธรรมได้แล้วเรามารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราแล้วเนี่ ต่อไปใครมาดา่าเราเราก็ไม่ทุกข์หรอกเราก็เฉยๆได้ก็เหมือนกับผู้หญิงนั่นแหละมันไม่มีตัวตนของเราเบื้องหลังแล้วเราก็ทิ้งก็ไปได้สบายเพราะใ น, นความโกรธเนีย่ยเราก็ทิ้งเร็วมากเลยนะมันต้องอาศัยทั้งวิปัสนาในการไม่ใช่ตัวไม่ตนนี้ด้วยนะพรสการสติ ก, ก็คือสติเรารู้ทันว่าเออขณะนี้เรามีความโกรธก็แล้วนะตัวนี้ปัสนาคือรู้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเราก็จะทิ้งเลยหลังจากเขาทิ้งแล้วต่อไปทิ้งได้ง่ายขึ้น แล้วตอบอย่าทิ้งตลอดการนะเพราะว่าเรากลับมารู้แล้วว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานั่นเองเนาะตรงนี้จึงให้ว่าเราต้องมีควบคู่ไประหว่างาสติและวิปัสสนาก็คือปัญญานี่แหละสติคือการรู้ว่าเขามดาเรารู้ทันความคิดรู้ทันกายรู้ทันใจวิปัสสนาคือรู้ว่ามันไม่ตัวไม่ใตนเนาะตรงนี้สําคัญมากแนละ้วเมื่อเรารู้ว่าไม่ตัวไม่ตนจิตใจเมื่อตราบใดที่เขาสามารถที่จะสรุปได้ว่ากายและใจไม่ตัวไม่ตนแล้วเขาจะวางทุกอย่างนะเขาจะไม่เอาแล้ว จะทิ้งกายทิ้งใจนั่นแหละนี่คือการที่เราจบภพบจบชาติไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแล้วนะนับภพบนําชาติไม่ทวนนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับแล้วมันจะดับในชาตินี้เลยเนาะอันนี้คือการปฏิธรรม ท, ทั้งหมดจริงๆแล้วเพื่อเห็นปัจจัยรักเพืเห็นวัาฏสภาวิสิงคือกายและใจนี่แหล ะ, ะมีกุญแจความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่เราสวดอนัตตลางังคสูตรที่บอกว่าผู้เจ้าถามว่า มาดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือการละใจเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรเราจะคิดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ควรตามคิดเช่นนั้นพระเจ้าข้าแล้วพระเจ้าก็ทรงยักยะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักาอย่างไรนะ พอทรงแยกแยะแล้วก็ทรงสรุปจบแล้วปัญญาขีทั้ง5ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเลยเนาะอันนี้คือหัวใจหลักเลยว่าการ บ, บัตธรรมทั้งหมดก็คือกลับมารู้ว่ากายและใจนี่แหล ะ, ะมีแต่ความไม่ที่เป็นทุกข์เป็นนาตาไม่ไม่ใช่ตัวเมตตนถ้าจิตเราเข้าถึงตรงนี้แล้วเราจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้เนาะแต่ในชาตินี้เราไม่สําเร็จต่อไปก็ยังง่ายขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ ค, คนทางการบัตธรรมที่สู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเพราะนั้นในท้ายสุดนี้ก็ขอ รัรนาบารมีคุณพระไตรน้อมนับทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทิน